เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จจำพรรษาที่กรุงสาวัตถีนะอยู่ที่วัดเชตวันพระองค์ก็จำพรรษาที่นานๆทีเดียวนะยีพรรษาได้ก็มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายมีทั้งสุขแล้วก็ทุกขนะ์มีทั้งการพบแล้วก็การพลากยังมีคราวหนึ่ง นางวิสาขาก็เสด็จมาเฝ้าพระพุทธเจ้าผมนี่ก็กระเซากระเซิงรอง้รองห่งร้องไห้ทั้งนี้เนื่องจากว่าหลานสาวที่ตัวเองรักได้เสียชีวิตลงนายวิสาขาก็คร่ำครวญถึงความดีของหลานสาวพระพุเจ้าก็จัดถามว่าถ้าคนในกรุงสวรรคีเนี่ยทุกคนเนี่ยดีเหมือนดาง หลานสาวของนางเนี่ยเธอจะว่าอย่างไรนะเธอจะรักเขาไหมนางวิสาขาก็บอกว่ารักนะถ้าคนกรุงสาวัตถีทุกคนดีเหมือนหลานสาวนี่ก็จะรักผู้เจ้าก็ถามต่อไปว่าคนในกรุงสาวัตถีเนี่ยวันหนึ่งตายกี่คน น, ะนางวิสาขาก็บอกว่าตายมากทีเดียวผู้เจ้าก็เลยตรัสว่าถ้าเช่นนั้นนางวิสาขาจะไม่ร้องห่มร้องไห้ คร่ำครวนทุกวันหรือนะแล้วก็ต้องคร่ำครวนร้องไห้วันละหลายครั้งด้วยตามจํานวนคนตายแล้วพระองค์ก็ตัดนะเป็นคำสอนว่าเนี่ยมีรักหนึ่งนะก็มีทุกหนึ่งมีรัก10บก็มีทุก10มีรักร้อยก็มีทุกร้อยนะถ้าไม่มีรักเลยก็ไม่มีความทุกขนะ์รักในที่นี้เนี่ยก็มาถึงความผูกพันห่วงแหน ไม่ใช่รักนะที่เรียกว่าเมตานะเมตานี่ก็เป็นความรักแต่เป็นความรักที่มุ่งปรารถนาดีเป็นที่ตั้งความรักอีกแบบยังเรียกว่าสินเนหาสินเนหาหรื อ, อสเสนหานั่นแหละสินเนหาสนาอหา น, นี้คําเดียวกันมันเป็นความรักความผูกพันที่มุ่งสนองตัวตน คนส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นความรักของคนส่วนใหญ่ก็รักเพื่อที่จะมาตอบสนองตัวตนและมันก็ย่อมมีความยึดติดถือมั่นว่าตัวกูของกูด้วยเรื่องราวของนางวิสาขาก็แตกต่างจากเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะนางเมริกาเทวีนัเมริกาเทวีนี่เป็นภรรยาของ พันธุละซึ่งเป็นเสนาบดีคนสนิทของพระเจ้าประสิทธิที่โกศลนนะกรุงสาวัตถีเหมือนกันสองคนนี้ก็รักกันมากนะเพราะว่าเคยไปเรียนที่ตักศิลาด้วยกันของสนักทิศสาปามโมกแล้วก็ต่างก็มีเชื้อเจ้าแต่ว่าพันธุละนี้มีปัญหานะกับพวกเครือข่ายญาติที่ เมืองเวสาลีก็เลยมาเป็นเสนา บ, บดีทำงานรับใช้พระเจ้าเปเนสนิโกศลสองคนที่เก่งมากนะในเรื่องการรบพันธุรนี้ก็เป็นเรียกว่ามือขวาของพระเจ้าเปเสนีโกศลเลยแต่ว่ามีคนไม่ชอบก็เลยเพชรทูลจนกระทั่งพระเจ้าเปเสนีโกศลเนี่ยระแวง ว่าพันธุละเจนา บ, บดีจะก่อการกรบฏพระเจ้าแผ่นดินที่ก่อสนนี่หูเบานะเป็นคนหูเบาแล้วก็เลยล่อเลยลวงให้พันธุละเนี่ยกับลูกเขยเลูกกับลูกชายซึ่งมีส2คนนะเป็นแฝดสิคู่เก่งในการรบทั้งนั้นเลยล่อให้ไป ที่ชายแดนบอกว่าให้ไปปราบศึกสงครามปราบศัตรูที่ชายแดนแล้วก็ให้ทหารซุ่มโจมตีบอกว่าสําเร็จนะทหารที่ซุ่มโจมตีนี่ก็ฆ่าทั้งปันธุระแล้วก็ลูกทั้ง32คนได้หมดสารพระเจ้าประเสริฐโยชนก็สกบาใจแล้วพะปราบเสียห น, นามได้ทั้งที่ปันทุระนี้ซื่อตรงพักดีมาก แต่จะเป็นเพราะว่ามีลูกชายที่เก่งทั้งนั้นเลย mm hmm. กลัวว่าพระเจ้าปเสนที่โกศลของกลัวว่าจะมีริพลน์นมาคุกคามอำนาจข่าวการสังหารปันทุรา ล, ลูกชายก็มาถึงนางมาริกาเทวีตอนเช้าในขณะที่กําลังเลี้ยงพระซึ่งมีพระสารีบุตรและพระโมคคารณะเป็นประธานก็ระหว่างที่กําลังประเค้นอาหารนะ หญิงรับใช้ก็เกิดทำาจานใส่เนยแตกต่อหน้าพัาริบุตรแตกดังเพลงเลยนะเสียงดังลืมบอกไปว่าตอนที่ข่าวมาถึงนางมาริกาทีวีตอนเช้าเนี่ยนางก็รับจดหมายแล้วก็อ่านข้อความแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรทานั้งที่มันเป็นข่าวร้ายมากๆข่าวร้ายสุดๆก็เก็บกระดาษนั้นไว้ที่ชายพก แล้วก็ประเค้นอ า, อาหารถวายพระแล้วก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่ว่านะก็คือว่าหญิงรับใช้ทาจานถาใสเนยแตกพระสายเลิศเห็นก็เลยพูดปลอบใจนาเมริกาว่าของที่มันแตกได้มันก็แตกไปแล้วนะนะอย่าได้ไปเสียใจเลยนาเมริกาก็เลยบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยอดีฉันเพิ่งได้ทราบว่าสามีและลูกทั้งหมดตายสิ้น จิตใจก็ไม่หวันไหวเลยไม่ได้เสียใจเลยนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ถาดใส่เนยแตกเนี่ยนะก็ไม่ได้ทำให้จิตใ จ, ใจวันไหวเป็นทุกข์อะไรเลยอันนี้ก็นะเป็นเป็นความรักอีกแบบหนึ่งนะเป็นความรักของคนที่เข้าถึงธรรมแล้วนะก็มีเมตตานาเมริกาก็รักนะทั้งสามีและลูก แต่ว่าก็ยอมรับความจริงของชีวิตหรือตระหนักในเรื่องความเป็นอนิจจังความไม่จรหลังยังเดียนของชีวิตได้เพราะฉะนั้นเมื่อรู้นะใจก็ไม่หวั่นไหวนะถือว่าเป็นธรรมดาธรรมดาโลกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังทําหน้าที่ตรวเองเต่อไปมีหน้าที่ที่ต้องประเคนถวายอาหารพระก็ทําต่อไปนะส่วนกิจที่จะทํากับล่างหรือศพของ คนรักก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็ต้องทำเหมือนกันนี่เป็ น, ปนวิสัยของอบัณฑิตผู้มีปัญญาเห็นธรรมนะความรักก็มีนะแต่เป็นความรักที่ประกอบไปด้วยเมตตาแต่ว่ามีปัญญานะเป็นพื้นฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะรับยอมรับกับความสูญเสียพัดพรากได้นะซึ่งแน่นอนเมื่อถึงคราวที่ตัวเองต้องพัดพราก จากโลกนี้ไปก็จิตใจคงจะไม่หวันไหวเป็นปกติอันนี้ก็เป็นแบบอย่างของชาวพุทธนะที่เราน่าจะได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนแล้วก็เตรียมรับพร